อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ526 1. ้ิกภิกษุที่รับเอาไปเพราะคิดว่าจะนําจีวันที่เหลือมาคืนสองภิกษุที่คารพหัสถวายด้วยถ้อยคําว่าจีวัที่เหลือเป็นของท่านรูปเดียว 3. ภิกษุที่คารพหัดไม่ได้ถวายเพราะจีวันถูกชิงไป4ีภิกษุที่เคาหัดไม่ได้ถวายเพราะจีวันสูญหาย5้ภิกษุผู้ ยินดีจีวรที่ญาติถวาย6กภิกษุผู้ยินดีจีวรที่ทายกปรณนาถวาย7ภิกษุผู้ยินดีจีวรที่ได้มาด้วยทรัพย์ของตน8ปภิกษุวิกลจริต9กภิกษุต้นบัญญัติตตุตตะตริสิกขาบทที่7จบ